เทศอบรมพระวันที่21พิพฤศจิกายน2521นรี่เดนี่เด็ดเดี่ยวอาจหารมากเทศมัชิมาในความคาดหมายกับในการปฏิบัติรู้ไปกับการปฏิบัตินั้นต่างกันมากอุบายของมัชิมาที่เป็นเครื่องปราบกิเลสประเภทต่างๆนั้นมีมากมายเหนือกิเลสจึงปราบกันอยู่ ความรู้เห็นด้วยตนเองนั่นแลคือทำยืนยันความจริงของธรรมได้เต็มสัดเต็มส่วนไม่สะทกสะท้านใดๆทั้งสิ้นมัชชิมาของเราเป็นอย่างไรไม่ใช่มันกลายเป็นมัชชิมาของเทวทัตทำลายธรรมและตนไปแล้วหรือเวลานี้เพราะความไม่มีสติปัญญาแฝงอยู่บ้างเลยนี่อัจให้ใคลๆได้ ท้ายเอพูดบ้านพูดแจ่งเห็นจริงนธน ร, รมของพระพุทธเจา้าที่ทรงรับรองแลละร้อ1เปว่าเป็นส่วขาตัดธรรมคือจัดไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกเน่ทุกมือทุกขั้นของธรรมและทุกประเภทของกิเลส เป็นมียานิกระธรทมเหล่านี้แลจะสามารถรื้อถอนที่เลสให้ผ่านพ้นทุก ป, ประได้โดยสำานับจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงไม่มีทมใดจะเหนือทมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสังสอนไวแล้วโดยดีจฉพราะอย่างยิ่งคนหมายถึงมัชฌิมาปฏิปทา รามมัชชิ ม, มาส่วนมากคิดกันว่าเป็นหนทางสายกลางไม่ยิ่มไม่หย่อนนบะไปเสมอเนื้อสมอตัวนี่เป็นความคาดหมายเป็นความคิดเอาเฉยๆไม่ใช่ออกมาจากความจิมที่ทประจักษ์ตนเอง ภาคปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะทราบได้วา่ามัจิมานี้มีความหมายกว้างแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นเราจะนำไม้มาทำต้นเสาไม้นั้นมีทั้งเปลือกทั้งกะพี้ทั้งแต่ทั้งจิ๋การ สาขาดอกใบร่างแก้วรักงฝอยเราจะเอากบไปสายไม้ทั้งต้นนั้นให้สำเร็จเป็นต้นเสาขึ้นมาเพื่อจะปลูกบ้านสร้างเรืนเป็นไปไม่ได้คือจะทำหนักมือกว่านั้นก็กลรวมันไม้จะเสียน่นเองเรื่องมันจะหนักมากไปที่เรียบ้างกระเทศหรือขั้นเริ่มแรกอย่างการปฏิบัติธรรมะเพื่อแก้บุญเหล จะมีตั้งแต่กิเลสตัวสำคัญสำคัญที่ออกหน้าออกตาที่สุดซึ่งจะต้องได้ใช้เครื่องมืออันหนักน เ, เอกกันอย่างเข้มขน้นเช่นเดียวกับเขาถากไม้ด้วยขวานไม่ใช่ใสกบไม้ทั้งต้นไม้ต้นนั้นเขาจะต้องถากดื่อขวานตัดด้วยขวานเรื่อยๆื่อยแล้วก่อนจนกระทั่ง สมควรแก่การใส้กบแล้วเขาจึงจะใส่สมควรจะเจาะหรือจะทำอะไรก็เป็นไปตามไม้นั้นเครื่องมือในช่างมอ้องทุกอย่างที่ให้เหมาะสมแก่การจะทำหรือการปลูกบ้านสร้างด้วยมัชชิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าอันเป็นฝ่ายเหตุคือการนำรง ก็ต้องมีพร้อมมูลเพื่อจะกแก้กิเลสประเภทนั้นๆนนโดยลําดับๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดเป็นมัชฌิมาตามขั้นของกิเลสคือให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสจะแก้กิเลสได้ด้วยมัชฌิมาประเภทใดกิเลสนี้เป็นประเภทประเภทที่เหนียวแน่นมั่นคงดื้อด้านขนาดไหน เราจะต้องใช้มัชชิ ม, มาคือหลักธรรมะเครื่องแก้กิเลสนั้นให้เหมาะสมกับกิเลสนั่นแหล่ะกิเลสประเภทนั้นนั่นแหล่ะดื้ยกว่ามัชชิ ม, มาในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถึงคราวสละคือจะต่อสู้กันจริงๆกับกิเลสกิเลสประเภทนี้่ะประเภทที่ดื้อด้านที่สุดเราจะต้องใช้มัช เครื่องมือมัชชีมาคือเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้ด้วยการหนักมือเต็มที่ทนก็ทนเต็มที่ทนจนตายอสติปัญญามีเท่าไรทุ่มกันลงอย่างเต็มที่เอาตายเป็นตัวประกันหรือเป็นเดิมพันกิเลสประเภทนี้จะทําอย่างอื่นไม่ได้ ถึงคราหนักต้องหนะักเอาชีวิตเข้าว่ากันเลยแล้วไม่คำหนึงถึงความตายยิ่งกว่าความจิงที่ให้รู้ให้เห็นกีเกล จ, จะหลุดลอยไปเพื่อรู้ความจิงทั้งหลายมันด้วยอันนี้ต้องมีความหลักมากยิ่งกว่าชีวิตนี่เป็นกีเกลประเภทหนะึ่งกีเกลประเภทนี้ค่อยลดด่อนตัวลงไปเครื่องมืออีก ประเภทหนึ่งที่เหมาะกับกิเลสที่รองกันลงไปก็มีเป็นลำหนับลํำลายเรื่อยไปจกนกระทั่งถึงขั้นละเอียดเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วจะไปใช้กีฬาเนียมใช้ปติปัญญาอย่างแผลผ่าผลโลดเต้นงนั้นก็ไม่ถูกเหมือนดังม้าที่ควรจะ ก, การใช้ขบแล้วจะไปถากโดยขวานก็ไม่ได้เพราะไม่เหมาะกันจะทําให้ไม้านั้นเสียการแก้กิเลสประเภทละเอียดก็ต้อง สติปัญญาที่เหมาะสมกันคือสติปัญญาอันละเอียดแหลมคมไปอย่างละเอียดละออเหมือนน้าสักน้ำสบนั่นเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามัชชิมาทั้งหมดให้พากันเข้าใจทางภาคปฏิบัติความจริงของภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อันใดก็ตามถ้าเราได้ทําเองได้รู้เองเห็นเองทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลแล้วหาความสงสัยไม่ได้และเป็นที่แน่ใจตัวเองไปโดยลําดับ เมื่อแน่ใจตัวเองแล้วทำไมจะไม่แน่ใจในการสอนคนอื่นให้เข้าใจตามนั้นได้หรัอนังพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็ยังไม่เคยประกาศโทษว่าเป็นบรมศาสดาเมือ่อดทรงบาเพ็ญโดยโด้วยพระองค์เองทั้งฝ่ายเหตุก็ทุ่มเทลงอย่างเต็มที่จนถึงฝ่ายผลอันสมบูรณ์รูปประจัก์ ด้วยพระไถยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลในธรรมทุกขั้นในกิเลสทุกประเภทแล้วจึงได้ประกาศตนเป็นศาสดราและสามสอนโลกตั้งแต่บัดนั่นมาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเรียกว่าเป็นสวัขาิธรรมจากไว้ชอบแล้วด้วยความรู้ชอบเห็นจริงเป็นนืน้อเยื่ธรรมนำผู้ประพื่อปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ไปได้โดยลําดับเช่นเดียวกับพระองค์ท่านไในทรงนำกิเลสทั้งหลาย ออกจากวระไทยเดิมจนถึงขั้นบริยุสิ์พุโทโธได้นะทำไมพระองค์จึงมีความข้าหาญชาญไทยในการประทานว่าแจกสัว์โลกเพราะทรงรู้ทรงเห็นแล้วทุกข์ททุกอย่างไม่ใช่ทรงด้นเดาสอนโลกเหนี่ยความรู้เห็นด้วยตนเองจึงเป็นความแน่ใจ ในการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกิเลสและอัตธรรมประเภทใด ห, หรือไม่ว่าฝ่ายเหตุฝ่ายผลส่วนหยากส่วนกลางส่วนละเอียดถ้าได้ผ่านแงวด้วยตนเองจะสามารถพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่กระทบกระทานต่อผู้หนึ่งผู้ใดใครทั้งสิน้นนั่นหลักธ่ามวัดธรรมเป็นเวสา ร, ะรชะารณธรรม วิธรรมที่ยังบุคคลให้กราหารประเภทหนะทึ่งซึ่งเป็นประเภทสำคัญเราทั้งหลายดำเนินทุกวันนี้เป็นอย่างไรมัชิมาของพวกเราคืออะไรไม่ใช่มัชิมาของเราพวกเรามันเป็นเทวทัศทำลายศาสนธรรมซึ่งเป็นการทำลายตัวเองไปโดยลำดับลาดับอยู่เลอเวลานี้ยจึงไม่ รู้มาเห็นในสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้การประกอบความเพียรทำอย่างไรความเพียรเดินจงกรมมีสติสตังติดแนบอยู่กับงานของตนหรือไม่หรือส่งละเหียเรื่ออนไปทางไหนซึ่งไม่ใช่เรื่องของอัดของธทรมีแต่ก้าวเดินเฉยเฉยด้วยเท้าเหมือนกับพุทนักเขาเดินตามถนนคนทางถ้ายงั้นก็ไม่เลยจากสักไป เยาแห่งการก้าวเดินของเราและไม่ไม่ดีหรือไม่ยิ่งกว่าคนทั้งหลายที่เขาเดินธรรมดาด้วยตามความมีแค่มีขาของสัตว์ของคนการเดินทำความเพียรก็ต้องหมายถึงเรื่องจิตกับสติควบขุมในหน้าที่ของตนที่กำลังทำอยู่นั้นเราพิจารณาทำบทใด เราพิจารณาทำแง่ใดหรือเรานำธรรมบทใดมาบริกรรมภาวนาเรามีความทั้งเถอไหมจิตของเราทะเลาไหลไปไหนไหมถ้าทะเลาไหยก็แสดงว่าจิตเดื้อนหน่อยกำลังใจหรือความสนใจต่องานของตนมีน้อยจึงไม่สามารถจะปกครองหรือคุมงาน ของตนได้ให้เป็นไปด้วยความสมัครเสมอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำบัตรไทยก็อย่างว่ามันไม่ไม่เรียกเ่าความเพียรความเพียรนั้นแท้จริงหมายถึงสติจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามขอให้มีสติอยู่กับตัวนี่เป็นพื้นสำคัญจากนั้นก็มีความจดจ่อต่อเนื่องกับงานที่ตนกําลังทำหรืออย่างน้อยก็มีสัมปัสชัญะ ครามาสติเมื่อสืบเนื่องกันโดยลำดับไม่ยอมให้พลังเผลอด้วยการบางังคับไว้นี้เรียกว่าสัมปะชัญญะความไม่พลังเผลอโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะการอบรมมาจนช่ำชองแล้วนั่นเรียกว่ามหาสติมีความแตกต่างกันนห้นนี่เราพูดทางภาคปฏิบัติ เรลาจะไปหาดูทางปริยัตินั้นรู้สึกไม่มีที่แบบที่ว่านี่มีแต่สติความมลรคได้สัมปัชฌัญาความรู้ตัวฝ่ายความจริงสัมปัชฌัญนั้นไปจากสติความมลึกได้นีน้ที่พยายามอยู่ตลอดไปสติก็เลยสืบเนื่อมกันไปจนกลายเป็นสัมปัชัญญาความรู้สึกตัว เมื่อมีกำลังมากจนสามารถเป็นไปโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาให้ตั้งสติจะตั้งแต่อย่างไรแต่สติก็ทราบอยู่ทุกระยะโดยอัตโนมัติของตนอันนี้เรียกว่ามหาสติปัญญาก็ต้องอาศัยการบังคับใ ห, ให้คิดให้ค้นให้พิจารณาด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันไป โดยมีสติเป็นผู้กากับงานเหมือนกันสติเป็นธรรมจำเป็นมากที่จะต้องปราศ จ, จากไม่ได้ไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขันาา้นปัญญาสติต้องตามแนบไปเรื่อยๆเป็นผู้คุมงานเมื่อพิจารณาเห็นประจักษ์ในสิ่งใดมันเป็นขั้นเริ่มแรก เพรให้เกิดความแปลกประหลาดหรือเกิดความซึ้งในใจว่าเป็นอย่างท่านท่านว่าจริงๆเช่นทุกขังโอ้ควาทุกข์นี่เป็นของจริงตามหลักท่านกล่าวไว้ในอริยสัจสีว่าทุกขังอริยสัจจ์ทุกข์ก็เป็นของจริงนี่เป็นความจําได้ของเราที่เรียนมาลิบได้ยินได้ฟังจนชินปากชินหูชินใจ แต่เมื่อปฏิบัติเข้าไปจนทราบความจริงของทุกข์ด้วยปัญญาจริงๆแล้วก็เข้าถึงหนองอ้อในขั้นเริ่มแรกว่าอ้อนั่นคำว่าทุกข์ขังอริยจักจัมทุกเป็นความจริงเป็นอย่างนี้เหลยนั่นทีนึ่เมื่อเข้าถึงทุกข์เป็นความจริงแล้วระหว่างทุกข์กับจิตก็ไม่กระทบกัทถุเลน เรียกว่าความจริงถ้ายังมีกรารกระทบกระเทิอนกันอยู่ความจริงยังไม่สมบูรณ์นี่ปัญญาขั้นเริ่มแรกเราต้องพาคิดไม่คิดไม่ได้โดยลำพังสมาธิเกิดขึ้นแล้วปัญญาจะตามมาเองนั้นอันนี้เป็นความคาดคิดของบุคคลของผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยอาศัย หลักธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นซึ่งไม่ทราบความหมายอย่างแท้จริงของหลักธรรมนั้นๆเลยจึงมีความหมายไปว่าซีระปริภาวิตโตเป็นสมาธิมหาพโลโติมหานิสังโซสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพราหูติมหานิสังสา ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากปัญญาปฏิภลายตังิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิมุจะติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากจะอยู่ทั้งปวงโดยชอบนี่เป็นหลักธรรมแต่ผู้พิจรารณามีความหมายผิดไปจากหลักธรรมเพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าใจ จึงไม่ตรงตามความจริงของพระโพธิจ่าที่ประทานทไวันนี้ด้วยภาคปฏิบัติซึ่งพระองค์ผ่านมาแล้วเรามีแต่เรียนแต่ชื่อแต่นามของธรรมเฉยๆไม่ได้สัมผัสกับความจริงจากการปฏิบัติจึงตีความหมายไปผิดถูกๆได้สมาธิที่ศีออลอบรมแล้วนั่นก็หมายถึงศีลของเราดีอยู่แล้วเมื่อคิดไปทงางด้านศีลก็ไม่เกิดความร้อนเนื้อร้อนใจ ตั้งหน้าทำสมาธิให้มีความสงบกอมีศีลอยู่ด้วยดีหักว่าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำสมาธิมันก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าลิงเป็นไไหนเพราะฉะนั้นการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิจึงต้องอาศัยวิธีการต่างๆดังที่เคยทราบกันแล้วแล้กมาานสี่สิบห้องอ่า เพื่ออะไรเพื่อจะดิดนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีนิสัยต่างๆกันจะได้หยิบยกเอาตามความถนัดของตนในบทใดาอาการใดก็ตามแห่งกรรมฐานทั้ง40สบทนั้นเจ้าบทใดก็ได้มีความหมายว่าอย่างนั้นแล้วนำมาปริกรรมภาวนาภาในจิด้วยความมีสติ เอาจิงเอาจําในขณะที่ทำอย่าให้สติเถอไปที่อื่นที่ใดในตังหาต่ า, ตางๆทาไม่ถือกิจอื่นงานใดสำคัญยิ่งกว่างา น, นในขณะที่บริกรรมภนาวนั้นก็ให้ทำความรู้สึกในตัวเองว่าเหมือนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยนี่ตั้งแต่ความรู้กับทำบริกรรมที่สัมผัสกันบุกยังียกยักๆยนีเท่านั้น เราอยากคิดว่าโลกนั้นมีโลกนี่มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี่นี่เป็นความคิดที่ถูกผลักดันออกมาจากที่เดดให้วาดภาพเลือกรุงแต่งขึ้นมารบกวนงานของตนให้เสียไปแล้วจะไม่เกิดความสงบแต่อย่างไรเมื่อจิตแยบออกไ ป, ป, รปรุงออกไปข้างนอกก็ต้องมีความหมายขึ้นมาทันทีความหมายนั่นแลเป็นเครื่องกวนกัน ให้ใจได้ชิด ใ, ใจได้วุ่นกับความหมายนั้น ใ, ใจมีความรู้สึกกวับคามหมายนั้นสืบต่อกันไปเรื่อยๆเรื่องนั้นและเรื่องนี้ต่อกันไปงานของตัวที่ให้มีความรู้สึกอยู่กับงานด้วยสติเลยไม่ตากดอย่างนี้ติดก็เป็นสมาธิหรือาอย่างสู่ความช่งโไม่ได้เพราะฉะนั้นในพหนาที่ทำเพื่อผลเป็นที่พึงใจ เราต้องทาความเข้าใจกับตนเองไว้เสมอว่าโลกนี้จะมีอยู่กี่โลกก็ต่ามกว้างแคบขนาดไหนสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี่มีอะไรบ้างก็ต่ามในขณะที่ทากิตตภาวนานั้นทำความรู้สึกอยู่กับคาบริกรรมของตนสมมติว่าผู้บริกรรมทําบดใด ก็ให้มีแต่ทำหมดนั้นกับความรู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่โดยเพื่อความมีสติรักษาอยู่เท่านั้นเหมือนกับโลกไม่ไม่มีเลยมีเพียงนั้นเท่านั้นถ้าผู้ใดทาความคาดใจตนอย่ า, ายนงนี้แล้วจิตที่จะคิดตรุงออกไปเรื่องภายนอกก็รู้กันได้ทําไม่ยอมไม่คิดความผลักดันของจิตที่จะคิดตรุงออกมาย่อมทราบด้วยสติ ถ้าเรามีสติอยู่กับตัวต้องทราบนี่เคยปฏิบัติม า, มาแล้วใครจะโก อ, อกไม่ได้มันเป็นความผลักดันออกมาเหมือนอย่างตามันผุดน้ามันผุดแยบแยบถ้าเราเผลอมันก็ติดต่อกันไปเรื่อยทำให้เผลอมันก็เป็นลักษณะเหมือนห น, น, นุนขึ้นมาจากปุ่มพอเราทราบแล้วมันก็ยุแล้วก็หนุนขึ้นมาเหมือนจะกปุ่มแยบแล้วดับทันที แต่หากมันจะปรุงมีความถักดันออกมาเพื่อจะปรุงและมีกำลังมากก็ให้เร่งคำาบรกรรมของตนให้หนักมือเข้าและตั้งความสนใจให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ชนะความจับรุงอันนั้นความปรุงในคำาบรกรรมนี้เป็นธรรมแต่ความคิดปรุงของจิต ท, ที่สอดแทรกขึ้นมาในขณะที่เราทรําบกรรมพอนานนั้นเป็นเรื่องของกิเลสให้พึงทราบเอาไวา้ อย่าให้ความปรุงเรื่องของกิเลสนั้นขึ้นมาแทรกหรือมาทำลายทำความปรุงของธรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นทำเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอนไรแม้ที่สุดร่างกายของตัวเองก็ไม่สนใจสนใจเฉพาะคำบริกรรมคือสมมติว่าพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นจิตต้องรวมต้องสงบได้ไม่เป็นอื่น ยาค่ข้อสําคัญดังหนึ่งคืออยาคาดผลที่จะปรากฏขึ้นจากการภาวนาของตนจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้นี้เป็นผู้สร้างเหตุอยู่แล้วผลจะเป็นที่นี่เองโดยเราไม่ต้องตกแต่งเพราะความตกแต่งก็คือการทําบริกรรม น, นั่นเป็นการตกแต่งผลอยู่แล้วทุกอย่างนี้ผู้กํนหนากนหนดอันใดก็ตามให้พึงทําในลักษณะเดียวกันนี้ไม่ว่าขั้นเริ่มแรกของควาสมสงบด้วยทาบริกรรมหรือ ท่านที่มีความสงบไปโดยลำดับแล้วคอยพึงทำความเข้าใจอย่างนี้เหมือนกับโลกไม่มีนี่เป็นข้อสำคัญถ้าเป็นดังที่กล่าวมานี้จิตจะมีความสงบและสงบแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับไม่สงสัยถึงกำหนดลมหายใจก็ให้รู้อยู่กับลมเท่านั้น ไม่ได้คิดว่าลมออกไปที่ไหนเข้าไปถึงไหนให้ทราบแต่ความสัมผัสของลมโลกอันนี้ไม่มีอันใดเลยมีตั้งแต่ความสัมผัสระหว่างลมกับความรู้ที่รับทราบกันยับยับหายต่เข้าหายออกเท่านั้นอันนี้ก็สงบง่ายง่ายให้ระวังความรู้สัญญาสำคัญมากจะคอยมาสอดแทรกหมายนั้นหมายนี่ ทำลายงานของเราให้เสียไปอันนี้สำคัญอยู่มากนี่เคยปฏิบัติมาพุทธโธก็เคยปฏิบัติอนาปาน ส, สติก็เคยปฏิบัติเคยทำเพราะทตามใจหวัเบื้องต้นคาบริกรรมพุทธโธนี่เป็นนิสัยติดสั้นฐานจริงๆขั้นต่อมาเมื่อมีช่องมีทางมีหลักมีเกณฑ์แล้วในโอกาสเหมาะสมที่ควรจะกำหนด อนาปานัติให้เพื่อให้รู้เรื่องของอนาปานัติเราก็ทำของเราทำรํำไปจนกระทั่งถึงหมดลงจริงๆล้วก็ทําหมดจริงๆไม่มีเหลือในความรู้สึกห ม, มดหมดจนกระทั่งาการไปเลยแล้วนอกจากหมดแล้วยังทราบอีกในจุดที่จะทําให้เป็นมารหรือเป็นอุปสรรคเกิดผู้บํังคับอนาปานัติ คือพอลมหมดไปแล้วนั้นเนื่องจากจิตไม่เคยเป็นเนื่องจากจิตไม่เคยตังเพ่งจึงไม่รู้เรื่องูรุราว่าเหตุผลกลไกจะเป็นประการใดบ้างเลยเกิดความตกใจในขณะที่ลมหมดไปในความรู้สึกนั้นว่าเอนี่จะไม่ตายหรือนี่ลมหมดไปแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นการขาย่าจิตให้กระเพื่อมตัวขึ้นกลับคืนมาลมก็ปรากฏมีเสีย เพื่อตัดปัญหาข้อนี้ให้ผ่านไปได้ตามความสะดวกความเป็นจริงของจิตของลมแล้วลมจะหายไปไหนก็หายไปเถอะนัะ่นเมื่อผู้รู้ยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตายเราภาวนาเวลานี้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อเป็นเพชฌฆาตอนาปานสติไม่ใช่เพชไม่ใช่เพชฌฆาตคำบริกรรมประเภทต่างๆไม่ใช่เพชฌฆาตแม้ลมจะดับไปก็ดับไปเถอะ เวลาเราหลับไปไม่เห็นคํหนึ่งลงจนมระทั้งตื่นขึ้นมาเราถึงได้ทราบว่าลงมันหายหรือไม่หายตอนนั้นเราไม่เห็นคํหนึง่งนี่เราจะไม่คํหนึ่งลงเราจะคํหนึ่งตั้งแต่เรื่องธรรมเนี่ยเดียวเท่านั้นคือจิตโดยเฉพาะลมจะหายไปไหนก็หายเพียงเท่านี้ก็ผ่านไปได้โล่งไปหมดเลยนี่อธิบายให้ฟัง สำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจยังมีอยู่มากวิธีการปฏิบัติไม่ว่าจะภาวนาในแง่ใดเช่นอนาปานสติเป็นสำคัญเวลานลมหมดไปสร้างอุปสรรคขึ้นแก่ตนด้วยความกลัวตายนั่นแหละความกลัวตายมีเหลือเกิดมันเป็นนิสัยสัญดานของสัตว์โลกไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันไม่ต้องประเด็นกันที่ไหนแง่จัตต์ เ, เาก็รู้กลัวตายเมื่อ ลมหมดไปในความรู้สึกท่ น, นั้นกกลัวตายจึงสร้างวุปสรรให้ตนเองเสียไปได้แค่นั้นก็หีุดไปได้แค่นั้นก็อยู่ ไ, ไ, ยไม่เลยถ้าปัญหานี้ยังแก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ว่านี้ถึงลม้งหมดก็หมดไปเถอะเมื่อผู้รู้ยังครองล่างอย่างนี้แล้วไม่ตายเท่านั้นก็ข่านไปได้ตามความสะดวกสบายตามหลักธรรมชาติของการภาวนา นี่เราพูดถึงรื่งสมาธิที่จะให้เกิดปัญญาต้องใช้ความค่อยคูนความพินิจพิจารณามีการบังคับบัญชากันในปัญญาขั้นเริ่มแรกเช่นเดียวกับสมาธิขั้นเริ่มแรกต้องมีการบังคับบัญชากันดังหนักจนกว่าจิตจะมีความสงบลมเย็นกลายเป็นสมาธิและสร้างฐานขึ้นบนขึ้นมาด้วยความมั่นคงได้ดังนั้นก็เริ่มปัญญา าการพิจารณาปัญญาก็ต้องพิจารณาเรื่องความบังคับเหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะตามมาเองนั้นเป็นความเข้าใจผิดส่วนมากคิดกันอย่างนั้นเพราะคิดเอาไม่ใช่เป็นด้วยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติรู้เห็นด้วยการปฏิบัติถ้านในภาคปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างนั้นสมาธิจะมีอยู่มากน้อยถ้าไม่ใช้ปัญญาเลย <c oughs> ก็เป็นแต่สมาธิอยู่อย่างนั้นเองแค่นั้นจึงต้องใช้ ปัญญาให้เป็นปัญญาโดยอาศัยสมาธิซึ่งมีความอิ่มตัวอยู่แล้วด้วยความสงบไม่หิ้วหวยกับอารมณ์ไม่สายแสบไปนั่นไปนี้เวลาเราบังคับให้ทํา ง, งานอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันไม่มละเหียเร่รอนเพราะความหิวโหวยบังคับเนื่องจากสมาธิคือความสงบใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่แหละที่ทันว่า สมาธิอบรมปัญญาคืออบรมเนี่ยคือมาเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ได้ทํางานด้วยความชะ ด, ดวกปูนง่ายๆว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบเลยนั้นพิจารณาอะไรมันมากเป็นสัญญาไปเสียนั้นเป็นสัญญาอารมณ์เพราะความหิวโหยของจิตพาให้คิดได้รอดออกจากหลักของปัญญาไปกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเลยไม่ได้เรื่องนั่นเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจะแยกไม่ออกใครจะเดินลาดเกินตัดกันไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ ไม่ไม่มีใครเหนือศาสดาอันนี้เป็นพระาศาสดาเป็นผู้ทรงบัญญัิไว้แล้วด้วยทรงเห็นรู้ดูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดันะั้นจึงไม่ควรไปเอามาสนใจเรื่องที่ว่าตัดลัดเอเลยเดิมนี้ปัฒนาล้วนๆซึ่งได้ยินอยู่มากมายล่ะนี้มีเกลื่อนเหนียกรรมาฐานเะไรยเนี้ยมันเก่งกวครูคำว่าสมาธิก็ได้เกิดควาสมสงบใจพอสงบใจนั้น ก็คือความมีพื้นฐานมุงจิตเมื่อสงบไปแล้วมากก็เป็นพื้นฐานมีความแน่นหนามั่นคงเป็นความสงบในพื้นฐานงตัวอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าเป็นสมาธิางไรจะทําหน้าที่การงานอะไรในการพินิจพิจารณาเุื่าดเรื่องขันเรื่องอาชญญะอสุภาอสุพังเป็นไปได้ทั้งนั้นออสุภาก็ได้ทั้งภายนอกได้ทั้งภายในนั่งคุยท่านสอนนิยมต่ายชาลูบใด ที่มันเป็นที่ถูกเนื้อต้องใจมันมีความปฏิพภาษมีความยินดีเป็นอารมณ์มัดสัมผัสใจอยู่เสมอมาควรใจอยู่เสมอนั่นแหละให้เอารูปอันั้นนํนมามาพิจารณาที่คายจนเห็นชัดเจนแล้วอารมณ์ที่มาควรใจเกี่ยวกับรูปนั้นมันก็หายไปแล้วออกจากนั้นเข้ามาพิจารณาตัวเองถ้าเถึงลกักษณะอย่างนั้นขึ้นมาทเทียบเทียมมันได้ทุกสัดทุกส่วน หลายครั้งหลายผลก็เข้าใจเมื่อเข้าใจซึ้งเต็มที่แล้วปล่อยทั้งเรื่องนอกผักนอกผักในรูปนอกปูปในอสุภะนอกอสุภะในาปล่อยวางได้โดยสิ้เนเชิงนี่ไม่ไปไปทางอสุภะก็ไม่ไปเวลาพอตัวแล้วสุภะก็ไม่ไปอสุภะก็ไม่ไปผ่านออกช่องกลางนั้นเลยนี่มีอย่ามัดที่มา ตามเรื่องของจิตมัชชิมาหนึ่งคือเครื่องดำเนินมัชชิมาที่ผ่านมาได้เพราะการดำเนินถูกทางนี้เรียกว่ามัชชิมาของจิตจนกระทั่งถึงมัชชิมาในหลักธรรมชาติคือความมืสุดแล้วไม่เอียงรักเอียงชังไม่เอียงมาทางดีทางชั่วเสมอตัวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบังคับเป็นหลักธรรมชาติแห่งความเป็นของตนใยสมบูรณ์เียกว่มัชชิมาในหลักธรรมชาติ แล้วกล่าวในเบื้องต้นเนี่ยการเริมัชชิมาพรนน า, าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจอมัชชิมานั้นตามขั้นของกิเลสกิเลสยอาอมัชชิมาอย่างหนักเครื่องมือหนักใส่กันกิเลสค่อยเบาบางไปเครื่องมือก็ค่อยเบาบางไปการพิจารณาก็อย่างนั้นเหมือนกันในท่านสมาธิกิเลสมันหนาก็ต้องใช้ข้อบังคับอาคําบริกรรมอย่างที่ว่าะตั้งท่าตั้งทางเหมือนจะเข้าสู่สงคราม เอาเป็นตา ย, ยาจริงๆสติกับคำบริการพใหมันติดกันแนบไปเลยไม่ยอมให้มีโอกาสพอความคิดปรุงต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของสิเลศแทรกออกมาได้เลยนี้กิจก็สงบได้นี่ขอใชามา้มาบัณฑมาแบบนี้ถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันขั้นที่ผาพ้นที่สุดก็ขั้นพิจารณาร่างกายเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุพังปัญญาผ่าพ้น จนบางทีเรืงกระเทือนตัวเองเหมือนกับตัวไหวไปเหมือนกันเราเคยทํามาแล้วจนกระทั่งเข้าใจเรื่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยวางลงตามสภาพทั้งสุภาษทั้งอสุภาไม่ยึดทั้งสองฝ่ายเดินผ่านในถ้ำกลางนั้นอย่างความแค่อย่างความด้วยความปลอดภัยและเข้าใจได้อย่างชัดเจนทั้งสองภาคนะ นี่การพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอีบางครั้งให้พิจารณาอย่ารอให้สมาธิมาผลิดขึ้นให้เป็นปัญญาอย่างเดียวจะหมดหวังไม่เกิดประโยชน์อะไรหนื่งสมาธิจะมาขีดปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นปัญญาได้ต้องปัญญาเป็นผู้ผลิความเฉีเดียวจะหลังขึ้นใส่ตัวเอง เป็นลำดับจนกระ ท, ทั่งถึงจิตได้เห็นเหตุเห็นผลของตนตประจักษ์ไปโดยลําดับแล้วนั้นปัญญาจะออกเดินดาเนินเองทีเดียวจนกลายเป็นปัญญาอาัตโนมัติเมื่อปัญญาจะเป็นอัตโนมัตินี่ก็เกี่ยวกับเรื่องมันปล่อยอะไรอะไรกันะะหมดแต่เหลือแต่เรนขันโรคหนูพิจาณาชัดเจนแล้วกับเรื่องตั้งแต่อสุภาอสุพันธ์ ผ่านไปรูปนี้ก็หมดความหมายไปแล้วเข้าใจชัดเจะที่มันยังสัมผัสสัมพันธ์รุ่งกันอยู่ก็คือเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆจะพ่อยังยิ่งความทุกข์ในขณะที่นั่งโทรนารีเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์มากๆมีกิบจะเฟ้ไปได้ท่านหลักใจไม่มีในตอนนี้หรือปัญญาไม่ทันกันกันกบทุกขเวทนาเสียหาไนะ้ถ้าปัญญาทันกันแล้วไม่เสีย ทุกเวทนายิ่งเป็นหินลับได้ดีจนเข้าถึงความจริงเข้าใจเรื่องทุกเวทนาเป็นของจริงอย่างเต็มที่เพราะพิจารณาเวทนานั่นเองพิจราจรณ า, ร า, า, า, าวเวทนาแลพิจารณากายแยกดูกายแยกดูเวทนาเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วดูใจสามประเภทนี้จนระัึงเข้าใจแล้วทุวกเวทนาก็จริงกายก็จริง ก, ก็จริงต่างอันต่างจริงแล้วมีกี่ชิ้นกี่อันก็มากระทบกระเทือนกันนี่คือทุกขังอริยสัจจังเป็นอย่างนี้มาคอริยสัจจังก็ก็หมายถึงปัญญานั่นเองปัญญาชอบถึงจะรู้เท่าทันกิเลสเ อ, อ้ยรู้เท่าทันเรื่องของทุกของกิเลสทั้งหลายได้เป็นลำดับลำดับถ้าปัญญาไม่ชอบจะรู้เท่าทันไม่ได้ต้องอดต้องทน นักปฏิบัติต้องเป็นนักให้ครวนสังเกตพิดนิพิจนาทั้งภายนอกภายในอย่าอยู่เฉยเฉยทำงานอยากก็าตามให้มีปัญญารอบตัวอยู่เสมอกับงานนั้นๆมีสติอยู่เสมอเมื่อเข้ามาใช้ในวงในคือจิตตะภาวนาล้นล้วนจะเป็นก็ได้อย่างสะดวกสบายและง่ายกว่าที่เราปล่อยจิตให้เระเละรอลอยจกว่าจะจับเข้ามาใส่ขอบ บางทีเลยไม่ได้หายเงียบไปไหนก็ไม่รู้แล้วเขาเอาขึ้นเฉียงแล้วก็ไม่สันะ่ะเหมือนสัตว์ภาณะที่ปล่อยมันเป็นไปตามใจเขาเองหรือไม่กลับบ้านกลับเรือนไม่เขาเคาะเขาหลัหลบอย่างบาเวลาจะเข้าเข้าหม้อเขาเข้าหม้อเขาหนี่งจให้กิเลสเอาไปต้ไมได้เป็นแหละหว่างมีการปฏิบัติให้ใช้ความพินิจพิจารณา ใช้ความอดความทนอภิษฎเจ้าเป็นนักอดทนเพียรก็ทรงรร ม, มาถึงได้สอนเรื่องความเพียรการอดทนก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วเห็นผลแล้วจึงทรงสอนการอดทนศรัท ธ, ธาวิยัตติสมาธิปัญญาอันเป็นพลหา้าทรงเป็นกําลังในพระองค์แล้วด้วยธรรมเหล่านี้จนสามารถแก้กิดเลสได้ถึงนํามาสอนบรราศะเราถือเป็นชําขัญ ดำเดินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงส่งสอนอย่าลืมคำว่าพุทธทังสนังกัจฉานิทั้งความปักเป็นกับตายในพระองค์ทั้งปฏิปทาเครื่อนนํำเหนือมองดูเข็มพิษทางเดินที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่าง้ดเสมออย่าลดละมีเป็นหลักสำคัญการปฏิบัติ็จรรากที่ดี สิ่งที่ตกวิจารกระเพื่อนสูงมากก็คือเรื่องปัญญาเพราะเห็นความเคลื่อนฆาตทั้งหยาบหยาบเยี่ยเยี่อะไรก็เห็นดูจำตำตำตายทุกเวลาที่ทำให้เกิดความอ่อนใจเหมือนกัน น, น่าจะคิดก็บไม่คิดนี่อันนี้สําคัญแล้วปัญญานั่นแหละที่จะเข้าไปแก้ที่เหลืองเทียนหยาบหยาก็ยังไม่เข้าอกเข้าใจแล้วจะเอาอะไรไปแก้ สิงที่ละเอียดแลลมคมยิ่งกว่านั้นหนึ่งมิคือตัวกิเลสแหลมคมมากมีแต่ธรรมเท่านั้นที่แหลมคมเกินกว่ากิเลสจะทนผ่านได้ดังนั้นไม่พากันตั้งอกตั้งใจพิจิตรนาอย่านอนใจในหน้าที่ของตนความเป็นอยู่ปวุวายอรยาดวงเขาลักดรอหมดแล้วยิงมันต่ำ ม, ม, มันตาำท่วมทั้งมันทั้งคืน อะไรก็ลายประเต็มไปหมดจนผู้มาปฏิบัติอยู่ที่นี่อาจจะไม่เข้าใจว่ากรรมาฐานท่านดำเนินแต่ก่อนเป็นอย่างไรหรือว่านึกว่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นสมบูรหมดไม่เป็นอย่างนั้นอทำเจริญขึ้นในสถานที่ที่พดอยากขาดแคลนสถานที่ลําบากลําบนทนทุกข์ทรมานทำไม่ได้เกิดขึ้นในความอิ่มน้ําจํารางเกิดขึ้นในความผาสุขสบายอยู่เฉยเฉให้พานเข้าใจตรงนี้ อ่าน <c oughs> ตอนนี้ไปท่านปัญญาจี่บ้าทนท่านั่